เทศนาแผ่นที่76ลำดับที่6โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่25กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าโรคกรรมเก่าของโรฮินี ลูกหลานอยู่ในความสงบอย่าไปไออย่าไปจาอยู่ในความสงบถ้าไอก็ไม่แต่อายตหลวงพ่อคนอื่นอย่าไออย่าจาวันนี้เป็นวันที่ยี่สบห้า กันยายนพุทธศักราช 2,558 วันพุ่งนี้เป็นวันโกนเป็นวันปรงผมและก็วันมะรือนเป็นวันเดือนสิบเพนเป็นวันทาบุญฉลากระพัดเมื่อขราววันเดือนเก้าดับที่ผ่านมาทาบุญ ข้าวประดับดินแต่วันเดือนสิบเพนหน้าเนี่ยเป็นวันทําบุญข้าวฉลากข้าวฉากเหมือนกับศาสตร์จีนลักษณะอย่างงั้นแหะแต่พี่น้องประชาชนทางอีสานเหนือในพรรษามีการทําบุญสองครั้งคือวันเก้าเดือน9ก้าดับแล้วก็เดือนสิบเพนแล้วก็วัน เดือนสิบเพนเป็นวันเกิดหลวงปู่ลีนะคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมโรคหลานใครจะไปใครจะไปร่วมทาบุญกับองค์หลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่เกิดวันเดือนสิบเพนในช่วงที่ท่านเกิดก็คงจะพ่อแม่ของท่านคงอยากจะไปทาบุญพอแรงมั้งหลวงปู่น่เกิดวันเดือนสิบเพนคงจะฉุกหลพอสมควร ถ้ะานลูกหลานผู้ใดอยากจะไปทำบุญวันเกิดของหลวงปู่ก็ไปได้ <c oughs> วันบลืนนี่แหละแต่หลวงพ่อคงไม่ได้ไปทุกปีเพราะในวัดของเราก็พี่น้องประชาชนจัดทาญาิโยมมาทำบุญหนาแน่นถ้าเราจะไปมันก็ไม่รู้จะทำยังไงทางนี้ก็ขาดตกบกพร่องเหมือนกันมีแต่ยกมือ ไหว้ของหลว ง, นะงปู่ท่านน่ะเออสาทุนเอรหลวงปู่หลวงพ่อเคารพรักเคารพนับถือแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปเพราะติดภาระอย่างมากเพราะวันพระเดือนสิบเพนเนี่ยคนมาวัดเยอะเหลือเกินออล้นศาลาเพราะนั้นวันหลวงปู่ไม่ได้ไปกลาบแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะไปร่วม บโบครบก้องปู่แล้วล่ะเมื่อในช่วงเข้าพรรษาตัวนั้นวันเดือนสิบเ็นนี่เราก็คงจะมีแต่ยกมือไหว้หลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปแล้วก็วันมรืนเป็นวันวันศาสตร์ก็ว่าวันฉลากกระพัดเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลสำหรับพี่น้องประชาชนศรัทธายาิโยมในท้องถิน่น เป็นการทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณกับพวกเราท่านทั้งหลายการการสร้างบุญสร้างกุศลเน่เป็นการล้างบาปอากุศลเก่าแก่ได้ไหมถ้าจะว่าได้มันก็ต้องทาดีมันก็ต้องล้างความชั่วเป็นของธรรมดา เหมือนกับคนเราเนี่ยถ้าทำดีแล้วจะไปติดคุกติดตารางได้ยังไงถ้าคิดดีทำดีพูดดีไปอยู่นัสถานที่ใดก็ดีทั้งหมดแต่เท่ามันชั่วแล้วแต่ทำไงทำมันชั่วเมื่อกเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องหายามาดูแลมารักษาก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> ถ้ายามันถูกถ้ายามันถูกจุดมันก็หายได้ ถ้ามันยาไม่ถูกจุดกับอย่างมะเร็งทุกวันเนี่ยบางคนก็หายก็ว่ายาในวิเศษมากแต่คนอื่นเอาไปกินก็นอย่างงั้น่ะมันไม่ไม่วิเศษอยา่างที่ตัวเองที่กินถูกกับโรคเพราะว่าเชื้อไวรัสของมะเร็งเนี่ยมากมายไม่รู้กี่เชือ้อเพราะถ้ามันถูกกับเชื้อตัวนั้นอ่ะมันก็หายได้ถ้ามันไม่ถูกกับเชื้อตัวนั้น มันก็เหมือนกับกอกยาเข้าไปก็เหมือนกับกอกน้ําเปล่านะ่ยไม่เป็นยุบเป็นยานะการทําบุญของพวกเราก็เหมือนกันแต่เราทําบุญผิดที่ผิดทางมันก็ไม่ได้แต่ทําทถูกที่ถูกจุดเหมือนกับยาเรารักษาโรครักษาหอย่างนั้นแหละอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้กับคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานได้ฟัง ส่วนหนึ่งคือสมัยหนึ่งพระอนุอนรุทธะท่าน เ, เป็นเชื้อพระญาติพระวง์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกน้องชายออของพ่อของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจุโทธทนะมีพี่น้องหลายคนแต่อโนรุทธะเนี่เกิดในเกิดในเชื้อพระวง์ แต่เป็นน้องชายเป็นลูกน้องชายของพระเจ้าจุโฑทนะอทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะยึชเชื้อพยาติพระวงค์ออกไปบวชมีหลายองค์ <c oughs> ไปบวชครานั้นมีหกอง์รวมทั้งพระเทวทัตด้วยออไปบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ ท่านก็ต่างองค์ก็ต่างมีเกียร ต, ติศัพท์ชื่อเสียงมีพระอนุนกิมปริวัคคุพัทยะล้วนแล้วจะเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็พระอุบาลีเป็นช่างกันบกในเมื่อบวชเข้ามาแล้วแต่พระอนุรุทธาในท่านก็กลับไปเยี่ยมบ้านาไปพักอยู่วัดนิโคธ นิโคทารามนิโคทารามคือเป็นวัดอยู่ในกรุงกระบินละพัทนะคือเป็นเชื้อพระญาติพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าตั้งขึ้น <c oughs> เป็นวัดป่านิโคทารามแต่เมื่อท่านเสด็จไปที่นั่นท่านก็เสด็จเข้าไปในเวียงวัง เ, เข้าไปในเวียงวังแต่นี้ท่านก็ไม่เห็นไม่เห็นน้องสาวของท่านท่านมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อโลหินีนะ เป็นน้องสาวพระอนุรุทธะท่านเห็นคนอื่นเห็นหมดแต่ไม่เห็นน้องสาวมาท่านก็เลยถามหาน้องสาวท่านเอ้ยคนอื่นก็เห็นหมดแต่ไม่เห็นโลหินีมา ไ, ไนาไปไหนก็ไปไหนเขาก็ตอบว่าน้องสาวของท่านโลหินีเป็นโรคโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังอมาไม่ได้อายอายคน อายคนมาไม่ได้แต่นี้ก็พระอนุรุทธะที่เป็นพี่ชายเนี่ยบอกเอา้ายังไงต้องเอามาไปเอามาไปทำไมมาไม่ได้จากนั้นท่านก็ให้คนไปนำนางโลหินีมาจนะักนั้นนางโลหินีก็เลยมา มาก็เป็นโรคผิวหนังอย่างที่ว่านั่นนะ่ะในร่างกายพระอนุรุทธะก็บอกว่าโลหินีเธอทำไมไม่มาโอ้ยหม่อมฉันอายคนที่ฉันเป็นโรคผิวหนังมาง้อแล้วถ้าจะทำยังไงเออโลหินีที่จะมีทางแก้ก็คือเธอต้องทาบุญนะเออทํางทำบุญทำบุญแล้วก็จะหาย ได้จะให้ฉันทํำยังไง อ, อให้สร้างศาลาพระนุรุทธะแนะทาให้สร้างศาลานะ <c oughs> ให้สร้างศาลาว่าหมอมฉันไม่มีเงินว่างั้นนางลูฮินีบอกว่าหมอมฉันไม่มีเงินที่จะสร้างศาลาถึงขนาดนั้นเธอมีเครื่องประดับไหมนั่นพระนุรุทธะพี่ชายนะ่ะเธอมีเครื่องประดับไหม มีเจ้า่าะจะขายได้เท่าไหร่ล่ะเครื่องประดับของของเธอขายได้ประมาณหนึ่งหมื่นพยาค่าเออเอาเนี่แหละขายเครื่องประดับสร้างสาราพูนะแนะนำไม่ใช่ธรรมดาแนะแนะนำน้องสาวเออได้ไหมได้ได้เจ้าภาพผมไม่รู้จะไปเครื่องประดับไปทาไหมแต่นี้นาไปขายแล้ว ใครจะเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างให้หมอมชันแหละเจ้าค่าน้องสายน้องสาวถามพระอนุรุธาพระอนุรุธาก็มองซ้ายมองขวาก็เห็นมีเชื้อพญาติพวงเต็มไปหมดอยู่แถบนั้นพระอนุรุธาก็บอกวันนี้นะพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นภาระให้ได้ไหมนางโรฮีนีจะสร้างศาลาเนี่ยแต่เราก็จะอยู่ดูจะดูอยู่จะดูช่วยกันเราก็จะอยู่ที่นี่แหละ ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยได้ไหมพวกนันกดัยอมรับได้ได้เอาได้เอาสร้างก็เลยเตรียมเครื่องทัพระสัมภาระมาแล้วก็มาก่อสร้างพอก็สร้างให้สร้างให้สร้างสองชั้นนะชั้นบนชั้นล่างคงจะเป็นสลาเหมือนของเรานี่มั้งพอสร้างเสร็จแล้วตอนนี้นางก็เป็นผู้ออปัดกวาดทาความสะอาดตั้งอาสนะให้พระสง ออแล้วก็ปัดกวดาดศาลาทำความสะอาดนางก็เลยโรคผิวหนังที่เป็นอยู่นะั่นน่ะที่น่าเกลียดน่ากลัวนะ่ะหายหายเหมือนปิดทิ้งเลยคือทำบุญล้างบาปจากนั้นก็พอศาลาเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เข้ามาฉันในศาลาของตนเอง พระพองค์ก็ไปโปรดนะพนางชาลานางโรหินีน้องพระสัตร์น้องพระอนุรุทธะพระองค์ก็มาเสด็จมาประทับกับฉันปัตตาหารฉลองให้ศีลให้พรพระพองค์บอกว่าโรหินีเธอรู้ไหมที่เป็นโรคผิวหนังเนะี่ยเป็นบาปกรรมอะไรในอดีตรู้ไหมไม่รู้พระเจ้าข่านะ เออนี่ะเธอมีบาปกรรมในอดีตนะมันติดมาอยู่เนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายคณะัทธาญาติโยมทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าด้วยบาปกรรมอันไหนหนอไปเจา้าค่ะนางโรฮิณีเป็นโรคผิวหนังนี่น่าเกลียดหน้ากลัวมากเหตุแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็หายผิวพรรณผุดพองสวยงามแต่ก่อนหน้านี้ดูไม่ได้เลย พระองค์บอกว่าในอดีตชาตินางโรฮินีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพมทัตกุงพารณสีแต่ที่ที่นี้พมทัตนไปเห็นนางนางฟ้อนนางฟ้อนนางรำประจําเมืองพระเจ้าพมทัตก็ติดใจในในการฟ้อนรำของของนางแต่อัครมเหสีนี่ เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระสวามีของตัวเองจะแบ่งจิตแบ่งใจไปให้นางนางนาง ฟ, อฟ้อนนางรําในโกรธแตอิจฉาอีกต่างหากเพราะอิจฉาแล้วก็โกรธในความโกรธและความอิจฉาเนี่ยพาตนตกต่ํานะพาได้ใช้กรรมเพราะนั้นให้ระวังใครจะโกรธอะไรใครจะอิจฉาอะไรเนะ่ตอนนี้พออิจฉาเสร็จแล้วก็วางแผนเลยตอนนะี้ วางแผนก็ไปเอาเนี่ยหมากเตาล้างบดบดบดหมากเตาล้างแล้วก็บดบดหมามวยแล้วก็เอาเอาฝุ่นของหมามวยใสใสในถุงในอะไรมาทีนี้ก่อนนะบอกให้นางนางฟ้นางนางรำเข้ามาหามาเฝ้าราชินีมา ราชินีอพระเจ้าพมทัศนอพอมากค่ะทํำท่าตะคอกออย่างงุ่นอย่างนี้คล้ายกับขูโะพวกโคแล้วกันะปลรยหมามุ่ยใส่หัวอแล้วก็ไปโปรยเม็ดฝุ่นของไต่ล้าง่พวกเราทดลองนั้นหมักเต่ล้างนะ พอไปแล้วไปจับหมักตะล้างดำๆนะมาทาผิวหนังดูมันคันหรือเปล่านะเตาร้างในวัดของเรามีตั้งเยอะแยะเลยตอนนี้ท่านก็เอาเม็ดปุ๋ยเอเปลือกเตาล้างมาปุยๆใส่ที่นอนเพราะไอ้นางนี่มันก็พอถูกหมามุ่ยปนหัวมันก็คันใช่ไหมพอคันเสร็จแล้วมันก็โอ้เออมันก็ไปอาบน้ําล้างน้ำเพราะที่เป็นนอนที่นอนอีก นอนอีกไปเจอกับอหมากเตาปุ๋ยปุ๋ยเตาล้างอีกที่เขาเป็นบทเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นเป็นนอนอยู่ที่นอนอีกคันอีกโอ๋นางได้ใช้กรรมที่ได้เจอกับหมามุยกับหมากเม็ดเตาล้างเนะนี่นแหละ เ, เป็นแผลผูกพองไปเลยเพราะมันเกาที่มันคันฮนะนั่นแหละเมื่อ อกรรมเหตสีของพระเจ้าพร ม, มทัดธรรมอย่างนั้นแล้วก็ฉะใจใช่ไหมเพราะโอตัวเองได้ทําให้คนอื่นเขาอแต่เมื่อชะใจจะนั้นะกรรมตัวนั้นเลยกรรมที่ตัวเองได้กระทาให้กับเขานอพอมันย้อนกลับมาหาตัวเองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพอมาถึงเขานี่ขนาดเป็นลูกของลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินขนาดนั้นนะ่ะยังเกิดเป็นโรคผิวหนังขึ้นมาเอจนไม่กล้า สู้หน้าคู่หน้าคนเพออราะอรเพราะกรรมกรรมเก่าตามสนองนี่แหละพระพุทธพระพุทธเจ้าท่านวันกรรมตอนนั้นะโลหินีที่เธอได้ทำไว้ในอดีตเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าคิดอย่าทำเสเลยดีกว่าเานือเมื่อทำลงไปแล้วน่ะมันให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าการสร้างบุญสร้างกุศล แล้วกับการทำบาปการทำบาปมาก่อนแล้วกับการสร้างกุศลเสริมมีการล้างไหมถ้านเราทำมากได้ทำกับพระพุทธเจ้าทำกับพระอรหันตสาวกนะ่คงจะมีส่วนนะเหมือนกับยาดีนะแก่โรคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าวายาไม่ดีก็อย่างว่าทนะ่านเราทำกับสัตว์สาลาสิงกับทากับผู้ไม่มี ป ร, ประคนผู้ไม่มีบุญมากเมื่อทําไปแล้วมันเกิดเหมือนกับได้อยู่ได้แต่ไม่มากนิดๆน่อยๆพอกินพอประทังไปมันไม่หายมันไม่แก้โรคภยัยไข้เจ็บตัวเองได้เนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสรุปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีอย่าทําซะเลยดีกว่าถ้าเราทําลงไปแล้วนะเมื่อมันให้ผล ไม่ให้ผลกับใครนะมันให้ผลกับตัวเองผู้กะระทานั่นแหละในเมื่อตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพมทัศพระสวามีพระสามีไปติดใครข้าวไปพอใจกับนางฟอ้อนนางนางรำแต่นางฟอ้อนนางรำเขาก็ไม่ได้ให้ใครติดใจแต่ก็ฟ้อนรำตามที่เขาว่าจ้าง แต่นางอากมเหษสีนี่กลัวจะพระสวามีปันจิตปัญใจให้กับนางฟอนนางรํอาอก็เลยโมโหในจิตในใจทั้งอิดช้าในจิตในใจผลในส่วนอะไรออกมาลักษณะอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านี่แหละกรรมกรรมกรรมชั่วอย่าทําเฉยดีกว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดเฉยดีกว่า เมื่อมันให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนอันนี้แหละคืออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในพระธรมะรมปทิทตกถานะมาในพระไตรปิฎกให้หลวงพ่อได้นำมาแนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในแต่ละเล่แต่ละเหลี่ยมแต่ละแง่แต่ละมุมให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้ศึกษาสรุปแล้วก็คือกรรม หลักของพุทธศาสะนาะจุตูปปาตญาณการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงตอนเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณการจุติของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่และทํากรรมอันไหนไว้ทําไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันทํำมาเกิดมานะ่ยแต่เกิดตระกูลสูงกว่าจริงอยู่แต่เป็น โรคผิวหนังเป็นขี้เลื่อน เ, อเต็มตัวไปหมดอ่ไม่ลูกปูดไหนตะเภาไหนดูดูดแล้วไม่น่าดูจนไม่กล้าสู้ชุมชนสังคมทําไมเกิดมาตระกูลสูงแต่ทําไมเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าพระพุทธเจ้ายัางสงพระชนอยู่พระ อ, องค์จะรู้ได้ทั้งหมดพระหานทสาวกบางองค์ท่านก็รู้ได้ได้บ้างบางองค์ก็รู้ได้มากทีท่วนทุกอย่างนะ เพราะนั้นท่านมีญาณัญาณทัศนะคือญาณคือมีวิชาตัวหนึ่งในในการฝึกปฏิบัติเรื่องจิตภาวนานะ่มันมีรู้เรื่องบุพกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ใครใช้กรรมอะไรมีกรรมอันไหนจึงมาเกิดอย่างนี้จะใช้กรรมยังไงต่อไปภายภาคหน้าเมื่อทำความชั่วแล้วนะคิดชัว่วทำชั่วแล้ว ผลจะเป็นยังไงในอนาคตออผู้มีญาณทันศนะท่านรู้ได้หมดเพรา ะ, ะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปรู้ธกกรรมของผู้อื่นให้ดูตัวเองนะดีกว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ถ้าพวกเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีแล้ว น, ะนั่นแหละอนาคตมันดีเองไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางหรอก ถ้าเราทําดีในปัจจุบันถ้าคิดดีทดําดีพูดดีในปัจจุบันอนาคตมันแจ่มใสไปเองเหมือนกับเรานะ่ยสมัยเป็นเด็กเราเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสื อ, อ, อไม่ทะเลาทะลาะตั้งใจเป็นคนดีในเมื่อเราตั้งต้นเป็นคนดีแต่สมัยเป็นเด็กต่อไปในอนาคตเราก็เรียนหนังสือจนได้รับเกียรติยศได้เหรียญทองนี่แหละแล้วก็เป็นคนดีอีกต่างหาก ได้ความรู้ด้วยคู่ขนธรรมด้วยมันจะไปไหนมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องได้ดีน ะ, ะถ้าว่าเกิดทุกขมาแล้วทะเลตะไลตะโคลมตะเลกไหนไหนมันชั่วโขนผระใส่ตัวเองยาบ้ายาหมากเที่ยวกับมูกับเพื่อนกินเหล้าเมายาสเเัมภเวเทมองขี้กาดขี้เกียจเรียนหนังสืออีกต่างหากนะคนคนนั้นจะได้ดีไหมเพราะเหตุไรเพราะเขาทําไม่ดีเขาทําไม่ดีมาแล้วนะ กรรมที่ไม่ที่เขาทำไม่ดีนะั้นมันก็จะต้องให้ผลนะเออเมื่อใหญ่ขึ้นมากันนะ่นจะไปหาการหางานที่ไหนได้เพราะเะไรเพราะตัวเองทาไม่ดีไว้แต่สมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นเด็กเป็นใหญ่ขึ้นมากันนะั่ะเป็นลูกน้องของเขานะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะออ ส, สิ่งที่เราทำในอดีตมันไม่ดีเมื่อเราทำในอดีตที่ผ่านมาดีแต่มาอยู่ที่นี้ก็ดี อนาคตมันให้ผลมันก็ดีเพราะ ห, หลายเพราะทาความดีวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนน่อไปรับพรนักที่นี่นะ